สิขาบทวิพัง654าคำว่าก็จำพรรษาแล้วคือออกพรรษาแล้วคำว่าวันเพ็ญเดือนส2องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตรงกับวันกรุณมีดิทีที่สในกัตติกามาตคำว่าเสนาสนะป่าความว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าป่ามีระยะห0 0อชั่วธนูเป็นอย่างตำ่ำที่ชื่อว่าหน้าหวาดระแวงคือ ในอารามอุปาจาระแห่งอารามปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในอารามอุปจารแห่งอารามปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกปล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกทุบตีคําว่าภิกษุจะอยู่ในเสนาสนะป่าเช่นนั้นความว่า ภิกษุยับยั้งอยู่ในเซนาสนะป่าเช่นนั้นคำว่าหวังคือปรารถนาคำว่าไตรจีวรพื้นในพื้นหนึ่งได้แก่สังขาติอุตราสงหรืออันตรวาศคำว่าพึงเก็บไว้ในระแวกบ้านได้คือเก็บไว้ในโคจรคามโดยรอบคำว่าภิกษุนั้นควรมีปัจจัยบางอย่างเพื่อการอยู่ปราศ จ, จากจีวร น, นั้นคือมีเหตุผลหรือกรณียกิจ คำว่าภิกษุพึงอยู่ปราศจากจีวานั้นได้หกคืนเป็นอย่างมากความว่าอยู่ปราดได้เพียงหกคืนเป็นอย่างมากคำว่าเว้นไว้แต่ภิกษุผู้ได้รับสมมุติคือยกเว้นภิกษุที่ได้รับสมมุติคำว่าถ้าอยู่ปราดเกินกว่ากำหนดนั้นความว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่เจ็ดมาถึงจีวนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสระจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้